เอาก็หลวงพ่อก็พูดมาตามสมควรนะทีนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พวกเราได้พูดถึงการปฏิบัตินะเนาะพราว่าปฏิบัติแล้วมันมีปัญหาอะไรมันไม่เข้าใจยังไงเออพูดแต่ปัญหานี่แหละเพราะคนที่ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่ถามอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีปัญหาแต่คนที่รู้สึกว่าเนี่ยเราปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเออก็ามาพูดคุยก็จะได้เข า, ขาเรียกว่า ต่อยอดหรือว่าแนะนํากันนะมันจะทําให้เกิดเ อ, อเกิดความรู้เกิดเป็นเ อ, อเกิดมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็บางทีก็บอกว่ามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําให้ว่าเออเพราะที่มันมีปัญหาเพราะว่าเราเข้าใจผิดอ่าเข้าใจผิดแต่ถ้าเข้าใจถูกเนี่ยคือต้องเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็แก้ให้เลยก็โอ้มันก็ทําให้ได้พบช่องทางนะ ครั บ, บกรรมนรมาสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์พลอยแล้วก็เกียรติธรมทุกท่านนะครับสิ่งที่วันนี้ประเด็นสําคัญคือรู้สึกตัวในปัจจุบันในตลอดเวลาที่ศึกษาความรู้สึกตัวมานี้ครับก็จะเห็นเลยว่ามีคุณนานแล้วก็มีประโยชน์มหาศาลถ้าไม่รู้จักว่ารู้สึกตัวคืออะไรเนี่ยครับก็จะไม่รู้ว่าเออลักษณะของความคิดต่างกับความรู้สึกตัวมันเป็นเรารู้เราคิดเราทุกอย่างแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ตรงนี้ครับพอตอนนั้นอาจจะเป็นเราเป็นเด็กด้วยนะครับไม่กล้าถามพระก็ไปทํายกมือสร้างจังหวะ14จังหวะทําอยู่นานแล้วก็เชิญชวนเพื่อนเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาไปทําด้วยก็ก็ ก, ก, ก็ก็ได้ความอดทนมาในระดับหนึ่งที่ว่าไปไปฝึกปฏิบัตินานแล้วก็ใช้เวลานานเพราะว่าเราก็เกิดมาด้วยความทุกข์ยากลําบากในสมัยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าทําความรู้สึกตัวนี้มันจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็พยายามไปทํามันกลับกลายเป็นว่าพอทําแล้วมีการมีการต่อสู้กันระหว่างตัวเรากับไอ้ไอ้ความคิดซึ่งตรงนี้ครับมันใช้เวลานา น, านแล้วก็ตอนหลังก็เห็นประโยชน์ว่าเมื่อเมื่อทำความรู้สึกตัวความคิดจะน้อยแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าเวลาทําการงานต่างๆที่เจอภาวะวิกฤตหรือภาวะคับขันนะครับก็ ก็พยายามที่จะมารู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวมันจะช่วยระงับยับยั้งความคิดให้ให้ให้เหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจแทนที่เราจะคิดเรื่องอดีตหรือกำลังกังวลใจในเรื่องอนาคตก็มาอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ไปรู้สึกตัวนะครับมันไม่เคยจะเหลียวใจเลยมันไม่เคยคิดเลยว่าแล้วใครละ่ะไปรู้สึกตรงนี้ต้องกราบว่าเออท่า น, าานอาจารย์ออสนี่มามาจุดประกายมา มาพูดมาชี้แจงแถลงใครว่าไอ้ที่ไปศึกษาความรู้สึกตัวนั้นใครฝึกใครทําใครลงมือปฏิบัติถ้าผมตอบตรงๆแบบไม่เฉยเฉเลยผมทําผมปฏิบัติผมรู้สึกตัวเป็นผมรู้เป็นเรารู้มันมันพลิกเลยครับมันพลิกเลยมันสันส่นสะเทือนหรือว่าโอ้คาว่าสั่นสะเทือนก็คือมันรู้เลยว่าที่ผ่านมามันหลงอยู่เป็นเราทําเราคิดเราปฏิบัติเรารู้สึกตัวมันยังไม่มาเห็นเลยว่าแล้วใครละ่ะมารู้ตัวเรา ตัวนี้ไม่เคยถามเลยครับไม่เฉลียวใจเหมือนเหมือนใครทาให้อะไรเหมือนใครสั่งให้เราไปทำอะไรก็ทำเหมือนใครสั่งให้ไปตายก็ไปตายครับไม่เคยเฉลียวใจใครสั่งให้ขุดดินก็ขุดอยู่อย่างนั้นเลยครับโดยเขาบอกว่าขุดไปจะเจอทองก็ขุดเอาขุดเอาขุดเอากลายเป็นว่าทั้งปีทั้งชาติไม่รู้จักทองขุดไปเรื่อยดังนั้นกราบอนุโมทนาและและและโชคดีที่สุดเลยครับที่ก่อนตายได้มารู้จักหลวงพ่อออว่า ไอสภาพที่เป็นเรารู้กับเราถูกรู้มันต่างกันคํานี้มันมันตราตึงใจถ้าเป็นเหมือนกับคําที่มันพลิกชีวิตจริงๆว่าเออคําว่าเรารู้กับเราถูกรู้มันไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงมันมันเป็นคําที่ดูธรรมดาเรียบง่ายแต่มันต่างกันราฟ้ากับเผีต้องกราบอนุโมทนาในกุศลที่หลวงพ่อนั้นยังมีเมตตาถ่ายทอดเทศนาถ้าหลวงพ่อไม่พูดสักคำหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่คนเดียวในวัดหรือไปอยู่ที่ใดๆไม่ถ่ายทอดพวกผมไม่มีทางรู้ครับกราบขอพระคุณครับ รัชการหลวงพ่อครับแล้วก็ทุกท่านนะครับเมื่อคืนผมก็หลังจากหลังไมค์ก็คุยนอกรอบกับพี่จอมเนาะซึ่งผมก็ไปไปไปดูแล้วเข้าใจว่าที่เรารู้กันพื้นฐานว่ารูปธระทรนามประทับเนี่ยเราเข้าใจคืออะไรคร่าวๆแต่งนามประทับเนี่ยครับมันรู้รู้รมีจิตกติตชสิทธิใช่ไหมครับคือต้องรู้อารมณ์แน่นอนจิตจะเกิดล อ, อยๆไม่ได้ส่วนรูปเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยนี่รู้ละแต่นางกระทําอันหนึ่งอะ ซึ่งตัวเนี้เขาบอกว่านิพพานเนี่ยไม่รู้อารมณ์ที่ไม่รู้อารมณ์นี่หมายความว่าอคงจะเพราะว่านิพพานนั้นไม่เกิดไม่ดับใช่ไหมครับที่ผมเข้าใจนะครับแต่ที่ผ่านมาก็คือว่านิพพานนั้นก็พ้นเวลาและพ้นพ้นในสังขารละขันด้วยทีนี้นั่นหมายความว่านิพพานเนี่ยที่ไม่รู้อะไรเพราะว่าไม่เกิดไม่ดับแต่ไอตัวที่ว่ามั น, ม น, มนไม่เกิดไม่ดับแล้วสิ่งที่เข้าไปรู้นน่น่ะคือปัญญาใช่ไหมครับพ่อ คือตรงที่ถามเนี่ยลองพิจาราดูดีๆนะว่ามีใครอยู่เบื้องหลังมีใครเป็นผู้ถามมีใครเป็นผู้อยากรู้นะต้องมีแน่เลยต้องมีต้องมีง ม, มีมีผู้อยากรู้มีผู้อยากให้เข้าใจเมื่อรู้แล้วเนี่ยแล้วใครไปรองรับว่าเออรู้แล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่ที่จะ เขาเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นแล้วก็จะให้เข้าใจเรื่องนิพพานในทีหลังได้แต่ถ้าไม่พิจารณาตรงนี้พูดเรื่องนิพพานเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องนิพพานได้เพราะว่าเราไม่รู้สึกตัวว่าในขณะปัจจุบันเนี่ยมันมีสังขารกําลังปรากฏขึ้นแต่ไม่รู้เท่าทันไม่เห็นก็เลยเข้าไปเป็นสังขารคือไปยึดถือว่าเป็นเราขณะที่ถามตอนเนี้มีตัวเราเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เห็นตัวเรา แต่ถ้าหลวงพ่อพูดหรือว่ามีกา ร, รยานมิตรมาสกิดให้นิดนึงบอกว่าอ่าน่าลืมแล้วลืมตัวแล้วลืมตัวคือไม่รู้ตัวว่าตัวที่ถามเนี่ยมันคือสังขารมันไม่ใช่เราแต่พอรู้ตัวในปัจจุบันขนาด ว, ว่าเออวะไอคนที่ถามไอคนที่อยากรู้นี่โอนี่มันเป็นสังขาร น, นี่นี่เท่ากับว่าตอนเนี้ยเห็นสังขารที่กําลังปรากฏแต่ผู้ที่รู้สังขารผู้ที่เห็นสังขารเนี่ยเป็น เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจจะถูกรู้ได้ว่าใครมารู้วะก็ไม่รู้หรอกว่าใครแต่มันมีจริงๆคือรู้เราได้ว่าเราเนี่ยกำลังถามกาลังสงสัยนะเพราะนั้นกลับมารู้สึกตัวในปัจจุบันแค่นี้พอไม่ต้องอยากรู้เรื่องนิพพานเมื่อเห็นถูกต้องในปัจจุบันว่าอ๋อมีแต่สังขารเกิดขึ้นมีแต่สังขารดับไปนะแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เรา เมื่อไม่มีเราแหละตรงเนี้ยมันเป็นหนทางที่จะเจีมแจ้งในนิพพานเพราะเพราะนิพพานก็ไม่ใช่เราผู้ไปพบนิพพานก็ไม่ใช่เราไม่มีเราไปพบนิพพานเออเพราะนั้นตราบใดเขาตามถ้ามีตัวตนมีเราอันเนี้ยไม่อาจจะเขาเรียกว่ามันยังเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดนะอันนี้ก็หลวงพ่อฝาแนะนําตรงนี้ก่อนสาธุกรับหลวงพ่อเข้าใจแล้วครับก็คือมีตัวเรานะี่ยแหละอยากจะรู้ซึ่งตัวเนี้ยมันพลาดมากเลยเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เราไปรู้เพราะว่าไอสิ่งที่ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่ออกเพราะว่าเพราะผมเรียกว่าอืตัวตันหาหรือโลภะเพราะความอยากนั่นแหละมันเป็นมันเหมือนอยางที่มันชุ่มด้วยน้ํามันที่เหมือนอยางที่พร้อมที่จะกลีดได้อพอเลยก็อยากไปรู้ไปดูตัวเนี้ยเป็นตัวกั้นกําแพงที่ใหญ่มากครับคุณข้าหลวงพอ่อขอเพิ่มเติม น, นิดนึงนะยอมแหม่แป๊บหนึ่งสิ่งที่มีพวกเราที่อยู่ในห้องขับเนาะมีการถามแล้วก็มีหลวงพ่อเนี่ยคอยสกัด คอยส ก, กิดเนี่ยตรงนี้มันเป็นแก่นเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไปคุยเรื่องอื่นนะ่ะไปเอาแต่ไปคุยเรื่องโน้นอยากจะรู้เรื่องโน้นแต่ต้นกําหนดต้นตอของมันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่กําลังเกิดกําลังปรากฏถ้าไม่เห็นตรงเนี้ยมันก็ไหลไปแล้วไหลไปโน่นแล้วก็นานจนกว่าจะระลึกรู้ได้ว่าอ๋อมีตัวเราอีกแล้วนะมีตัวเราเพราะนั้นเนี่ยมันต้องดับตัวเราดับตัวกูอ่ะก็เรียกว่าดับความเห็นผิดนะ เหมือนอาจารย์พุทธทาสนี่ยท่านบอกว่าดับตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีเออแต่ตัวกูมันมาตอนไหนก็า ม, มาตอนเผลอคือตอนไม่รู้เออเพราะนั้นเนี่ยให้ฝึกรู้ตรงนี้บางคนไม่คือตรงเนี้ยถ้าหลวงพ่อพูดแบบเนี้ยบางคนเนี่ยคือเขาเข้าใจไม่ได้ไงแล้วเขาก็าแบบเหมือนกับว่าไม่พอใจถามอย่างตอบอย่างทําไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าทางเนี่ยทางสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทางทางโน้นให้มาทางนี้ ให้มาทางนี้ก็คือเรื่องของความรู้สึกตัวส่วนทางทางโน้นทางที่มันไม่ใช่ทางอ่ะเอออันนั้นแหละอย่าไปเนี่ยถ้าเกับว่ามีการสกัดอผู้มีปัญญาเนี่ยบางคนปิ้งวับเลยเกิดความสว่างสวัยเลยโอ้ชัดเจนโอ้แล้วก็เบาลงด้วยไม่ต้องอยากรู้ก็ได้ว่ามันคืออะไรเพราะการอยากรู้อย่างนั้นเป็นการคิดค้นมันหาแล้วมันเหนื่อยแต่ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บแล้วรู้สึกตัวแบบถูกต้องจริงๆรอะ่ะมันแบบหืม อธิบายอาการไม่ถูกอะคือมั น, มน <c oughs> เรียกปาะสาสมมุติก็ได้นะ อ, ะอาจจะรู้สึกว่ามันโลกปร่งเบาหรืออาจจะมีปิติอะไรก็แล้วแต่นะอันเนี้ยมันลักษณะของบางคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยมีคนบอกมาก่อนนะออันเนี้ยนะเป็นเรื่องของสติปัญญาก็ไม่ ไ, มได้ว่ากันนะแล้วแต่แต่ว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อสกัด ไม่ให้ไปไปทางโน้นแต่ให้กลับมาทางนี้คือทางเรื่องของความรู้สึกตัวอาเชิญนิยมยมยมแหม่มนัไมาที่เปองก็พูดถึงเรื่องว่าตอนที่เอาตัวตนไปปฏิบัติเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่วิ่งวุ่นไปปฏิบัติเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากความความทุกข์ ความอยากค้นทุกมันเกิดจากความอยากนั่นแหละแล้วก็ไอตัวตนนี่แหละมันก็เป็นคนที่อยากแล้วก็ไปทำพฤติกรรมนะไปส่อสแสวงหาเดินทางค้นคว้าปฏิบัติอะไรก็ตามแต่ทีนี้มันก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาครูบาอาจารย์พูดว่าเอา้าไม่ใช่เอาแต่เดินจงกรมนะั่งสมาธินะ รู้สึกตัวซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้วันนี้เรายัางอินทรีย์ไม่แข็งแรงเนะมันฟังมันก็ยังยังไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะให้ความสำคัญแต่ว่าภาคปฏิบัติที่มันเป็นรูปแบบแต่ไอ้การรู้สึกตัวทั่วทั่วไปเนะี่ยเราก็ละเลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเล ย, เลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ยก็เรียกว่าพลาดอย่างแรงเนาะมันก็ทําให้เนิ่์ดดันช้าเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าอา้นั่งสมาธิหลับตาไปเดี๋ยวมันต้องเห็นนิพานสิเห็นในสมาธินี่แหละมันต้องเห็นได้แน่เ ล, เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยให้ความสําคัญไปผิดที่ให้น้ําหนักไปผิดทาง ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่หยุดหย่อนเลยเนาะที่จะสร้างอุปทานในนิพพานว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยได้ยินได้ฟังมาอ่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นเนะ่ยมีอุปท า, านในงานเนี่ยมันก็คือว่าหลุดออกจากปัจจุบันหรือก็คือไม่รู้สึกตัวไปแล้วแต่วันนั้นอะเราก็เราก็ไม่รู้ตัว เราก็ไม่สามารถที่จะเกัว่าตัวเองแล้วให้มันรู้สึกขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เวลาที่สิ่งใดในอินสีห้าที่มันขยิง่งศรัทธามากไปหรือวิิยามากไปหรืออะไรก็ตามเนยมันทำให้กระบวนการการปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน มันแปรปรวนนะมันมันไม่เข้าที่เข้าร่องเขาหลอยแต่สติเนี่ยเป็นองคุณที่ว่าถ้าเจริญให้มากแล้วเนี่ยความพลาดมันก็น้อยความเนิ่นนานช้ามันก็น้อยไปด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติทำมากกว่าครึ่งที่ยังยังให้ความสำคัญหรือน้ำหนักไป ไม่ไม่ค่อยถ่ายน้ำหนักไปไม่ค่อยถักบุกอะไรเงี้ยก็ก็จากประสบการณ์ตัวเองก็โผว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาที่มันจมลงไปในสมาธิมันวิริยะภาพาเปลี่ยนออกี่ทุ่มกี่ยามก็จะเดินไม่นอนเราก็เดินได้นั่งสมาธิก็จะเอาให้ได้นั่นแหละแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวนี้น้อยเท่าไหร่ แต่เราก็เข้าใจผิดอ่ะก็คิดว่าเรารู้สึกตัวอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ค่ะโยมเสริมประมาณนี้ค่ะก็ก็เป็นอย่างที่โยมว่านะเพราะว่าหลวงพ่อก็เริ่มต้นยับไม่รู้อะไรแล้วก็ปฏิบัติไปก็คือเอาตัวเราไปปฏิบัติแต่ทีนี้หลวงพ่อมานึกถึงตรงนี้ไงว่าอ๋อการที่เราพลาดไปเราผิดไปอาจจะเป็นเพราะหนึ่ง อาจารย์ผู้สอนเนี่ยอาจจะบอกแล้วแหละแต่ฟังไม่เข้าใจนะหรือบางครั้งอาจารย์เนี่ยไม่ได้บอกตรงนี้คือไม่สกัดเนาะไม่ไม่จับไม่ไม่สกัดอะ่ะทําให้เราหลงไปคือมีตัวตนเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ขยายความให้ฟังว่าเออแบบนี้นะมันมีตัวตนอยู่นะยังมีเราอยู่นะรู้สึกได้ไหมว่ามีเรามีเราเงี้ยแล้วก็เราก็ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้เออใช่มีเราแล้วก็ท่านก็ชี้บอกว่าไอ้ความรู้สึกว่ามีเราเนี่ยมันเป็นสังขาร น, นะ ให้รู้มันไม่ได้ห้ามมันแต่ให้รู้ด้วยปัญญาเนี่ยมีคนบอกก่อนว่าเออที่มันรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งถูกรู้มันเป็นสังขารนะตรงนี้เองอ่ะเป็นเหตุที่ทําให้หลวงพ่อเนี่ยต้องมาเน้นกับพวกเราทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ใหม่ผู้อะไรหรืออาจจะเป็นผู้เก่าก็ได้ว่าต้องเอาเรื่องเนี้มาพูดมาพูดผสมกับเรื่องที่ที่เรากําลังแนะนําเรื่องอื่นเนี่ยแต่ต้องเอาตรงนี้เลยว่าไอเรื่องรู้ตัวเราเนี่ยอย่างเมื่อกี้ของยมเพลินใช่ไหม เนี่ยก็คือเราคุยเรื่องนี้นหนะคุยคุยถามได้ได้หมดแหละแต่เราจำเป็นต้องชี้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวในปัจจุบันว่าอา้าหลงไปเป็นตัวเราอีกแล้วมีตัวเราเป็นผู้ถามอ่ะพยมเพลินมีมีปัญญาเนาะเข้าใจได้เลยว่าเออใช่ว่ะมีตัวเราจริงๆเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่บัตรเนี้ยรู้แล้วตื่นแล้วความเป็นตัวเราก็ดับไปที่ดับไปเพราะอะไรเพราะรู้สึกตัวอย่างแจ่มแจ้งเลยว่า ไอ้ความปรุงแต่งเมื่อสักครู่นี้มันเป็นสังขารมันเป็นสังขารที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่พอรู้แจ้งรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยไอ้สังขารเนียมันจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วแต่ความเป็นตัวกูเนี่ยได้ดับไปเรียบร้อยแล้วที่มันดับเพราะว่ามันมีความเห็นถูกว่ามีแต่สังขารเท่านั้น่ะที่กาลังปรากฏนะไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดีการคิดก็ดีการอยากรู้ก็ดีการสงสัยก็ดีมันก็เป็นสังขารทั้งหมด และพอรู้อย่างนี้เห็นไหมมันก็ดับพอดับเสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องไปรู้เรื่องโน้นก็ได้เพราะมันสงบแล้วมันหยุดแล้วเห็นไหมมันก็เมื่อเป็นหยุดแล้วสงบแล้วนี่ไงตรงนี้มันใกล้นิพพานขึ้นมาแล้วไงเพราะว่าสงบเย็นอ่าเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องนิพพานว่านิพพานมันรู้อารมณ์ได้ไหมไม่จําเป็นแล้วเพราะขนาดนี้มันเป็นนิพพานก็คือมันดับเย็นแล้วอย่าเงี้ยมันจะสัมผัสรู้เออตรงเนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นหนทางที่ทําให้ไม่เนิ่นช้า ไม่เริ่มชา้าแต่ก็บางทีก็คุยได้เฉพาะคนที่มีมานาทิฏฐิน้อยมีอัตาน้อยเพราะว่าถ้ามีเ อ, อความเป็นตัวตนสูงเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีอัตตาคือเถียงชดชดชดชดชดก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ถือมีอาวุธอยู่ในมือไม่ยอมฟังอีกแล้วอย่างเงี้ยเออก็เลยก็บางทีก็ต้องพักก่อนพักยกแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งประมาณอย่างเงี้ยอ่ะคนอื่น มีใครพูดข้อเจียงนี่หมดนะจังก<อ>่อนเมื่อกี้ที่พวกเราได้มีการสนทนาธรรมเนาะให้เน้นอยู่เรื่องของสภาวะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมันก็มีประโยชน์นะประโยชน์ก็คือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ทําให้จิตเกิดความสงบมะแต่ว่าตัวกิเลสนั้นยังไม่สงบปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นน่ะ สามารถเห็นสภาวะของปัจจุบันที่เป็นกฎของไตรลักษณ์คือสภาวะสภาวะก็คือตัวผู้รู้คือจิตสิ่งถูกรู้คือปัจจุบันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์ของปัจจุบันถ้าตัวผู้รู้ไปจับกับสิ่งที่ถูกรู้ก็เห็นมันดับไปพร้อมๆกันก็จะทำให้ปัจจุบันนั้นเกิดประโยชน์ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนั้นก็ไม่มีเรา แต่ถ้าผู้ใดหลงไปปัจจุบันว่าปัจจุบันนั่นเป็นเรามันก็จะเป็นปัจจุบันเราถามปัจจุบันเรารู้ปัจจุบันเราปล่อยวางปัจจุบันเราว่างปัจจุบันเราไม่ว่างมีดตเราเนาะก็เรียกรู้เราเนแต่ ถ, ถ้ากลับมาเรารู้เนี่ยะกับรู้เราถ้ารู้เรามันไม่มีเราปัจจุบันขณะนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้นะ ทุกๆจักรภาวะจึงเข้าใจว่าเพระไม่พระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องสติปัฏฐานทั้งสเพราสติปัฏฐานทั้งสไม่ว่าจะเป็นกายเวทานาจิตธรรมให้รู้ว่าไม่กระทั่งกายเวทานาจิตธรรมมันก็ไม่มีเราอยู่ตรงนั้นแล้วเพียงแค่ขณะเดียวขณะเดียวเนึ่ยอันสิ่งสําคัญความเก่งมันไม่ใช่วัดที่ว่าเราเดินจงกรมได้นานได้สวยอความเก่งมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรานั่งสมาธิได้นาน วิสททุทธิ์ธัญาธรรมลึกซึ้งนะความเก่งอยู่ที่ว่าเมื่อใดถ้ามีความฉับพลันเมื่อมีการผัสสะมากระทบความว่องไวของจิตขนาดเมื่อมีการสนทนาธรรมอย่างยกตัวอย่างนะบางทีมีการสนทนาธรรมถ้าบางขั้นอาจมีการโต้เถียงธรรมะแปบลบว่าสิ่งที่มีจริงไม่มีสิ่งที่มีจริงเขาพยายามให้เอากฎไตรลักษณ์ให้เห็นสภาวะปัจจุบันมันก็ไม่มีจริง ก็หมายความว่าผู้ที่กําลังพูดมันก็ไม่มีจริงนะมันก็ดับไปทุกถ้อยคำผู้ที่กําลังฟังคำบาปนี้ทุกคําพูดมันก็ไม่มีผู้ฟังทั้งผู้พูดทูกฟังมีแต่สภาวะทุกถ้อยคําเกิดดับเกิดดับเนี่ยสภาวะนั้นถ้าเกิดผู้รู้ที่มีสติว่องไวแกร่งกล้าก็จะเป็นสติที่ไม่มีตัวตนเข้าไปฟังก็จะเป็นสติที่ไม่มีตัวตนเข้าไปพูดก็พยายามเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เราประโยชน์ท่าน แต่ถ้าเกิดปัจจุบันนั้นหลงว่าเป็นเรามันก็จะมีคําว่ามีเราไปเป็นผู้ถูกรู้แล้วก็เป็นผู้ถูกกระทําก็จะมีการของแรงกระทบมาเ ม, มื่อมีมีมีผู้ที่จะรับได้เฟี้ยงไปก็มีการกระทบเนะ่ะมีการต้านกลับมาอุปมาอุปไมยเหมือนนผู้ที่ยังหลงลืมจิตถ้าอามิดขีดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งขีดบนก้นหินก็จะเป็นร่องรอย แต่ผู้ที่มีปัญญาหน่อยนะถ้าขีดบนพื้นผิวดินมันก็ไวไยหน่อยสติเริ่มไวแต่คนปัญญาหรือว่าสติไวไยขึ้นอ่าขีดบนผิวน้ําแปบ๊บเดียวมันก็หายแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีเราและปัจจุบันนั้นก็ไม่มีเขาเนี่ต้องอุปมาอุปมาเหมือนอมีต์ขีดบนอากาศมันก็ไม่มีล่องรอยของคําว่าเป็นเราแล้วก็ไม่มีล่องรอยของคําว่าเป็นเขา อันแต่ถ้าเป็นเซนก็ถามเพราะมันไม่มีอะไระมันจึงไม่มีคำถามเพราะมันเห็นเราไม่มีตรงนี้คือขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คงประมาณนี้นะเช่นครับที่จะนำเสนอก็คือว่าผมอยู่ในวงการความรู้สึกตัวสายงานหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับไม่เคยได้ยินคำว่าเราถูกรู้เลยครับ มันอาจจะมีผู้ดูผู้เห็นผู้ไม่เป็นอะไรมีคำนี้อยู่แต่เราถูกรู้นี่ผมไม่เคยได้ยินเมื่อผมไม่ได้ไม่เคยได้ยินผมก็ไปเป็นเราทําทุกอย่างหมดแล้วก็ผมก็ออกจากวงการสายงานหลวงพ่อเทียนเนื่องจากว่าผมยังมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นเดินเหินหรือว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหยิบฉวยอะไรต่างๆก็เป็นเราอยากจับเราอยากเราอยากจะถือเราอยากจะต้องเราอยากจะทำนู้นทานี้ก็เป็นเราทั้งหมด แต่วันหนึ่งอันหลวงพ่อบอกว่าเราถูกรู้จะเป็นเราอีกไหมเนี่ยมันสะเทือนใจอ่ะมันในเมื่อเราถูกรู้กับกับเรารู้มันคนละอย่างกันแล้วหรือว่าท่านว่าเป็นเป็นสิ่งเดียวกันไหมครับเราถูกรู้กับตัวเรารู้ถ้ามันคนละอย่างแล้วแล้วถ้ามันคนละอย่างกันแบบนี้นะครับมันมันเมื่อเมื่อไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้วแสดงว่ามันคนละอย่างกันแล้วแบบนี้นะครับเราก เห็นความต่างเลยว่าที่ผ่านมาเรารู้แบบที่หนึ่งคือเรารู้เรารู้เรารู้และไม่เคยตั้งคำถามว่าใครมารู้เราดังนั้นผมว่าตลอดของการมาฟังรามเฮาทุกครั้งเลยหลวงพ่อจะเน้นตรงนี้มากว่าใครรู้คำถามนีมันคัญมากถ้าจะพูดต่อไปอีกว่าสังขารรู้แล้วใครมารู้สังขารอีกก็มีคาถามอยู่สามสี่ข้อนี่ครับที่เหมือนกับว่าเออ พูดอะไรทั้งหมดเนี้ครับใครฟังอ่ะใครได้ยินนะใครรู้อ่ะแล้วแล้วใครมารู้เราอ่ะมันก็ตรงนี้มันทําให้ผมสะเทือนใจมากเลยว่าตลอดระยะเวลาของการภาวนาสี่ห้าสิบปีไม่เคยถามคําถามเหล่านี้เลยถ้าผมตายไปผมไม่เสียดายชีวิตแล้วครับเพราะว่าผมรู้ว่าคําถามเหล่านี้มีค่าแต่ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนชอบถามที่มากที่สุดถามจนว่าอาจารย์ให้คะแนน ให้ให้ให้คะแนนได้เกตสี่เกตสูงเกตสูงๆแต่ไม่เคยถามคำถามเหล่านี้เลยครับกับขอบพระคุณครับเดี๋ยวโยมจอมพงเนาะเออช่วยขยายความมานั่นนิดนึงดีเพราะว่าตามที่หลวงพ่อฟังโยมพูดนะเรื่องคำว่าแถ่นะเออมันก็เป็นภาษาที่แบบเออมันเป็นภาษาไทยแล้วก็พอจะเข้าใจได้นะไ อ, อ้เรื่องแถเนี่ยที่เราถามอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยแล้วก็ถือว่ามีการซักถามเนาะ แล้วผู้ตอบก็จะแถ่ไปเรื่อยแถ่ไปเรื่อยแต่ก็ไม่รู้ตัวเองอทั้งสิงหนึงว่าตัวเองเป็นผู้แถ่เนี่ย อ, อยมจำพงช่วยพูดเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยคนที่ส่วนใหญ่จะแถ่ก็คือคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้ในเรื่องตำรับตํารามากหรื อ, อพูดง่ายๆว่ามีตัวตนมากนั่นเองมีตัวตนอยู่เบื้องหลังเป็นเหมือนกับสมมุติว่าผมถามหรือว่าใครในห้องนี้ที่อยู่ด้วยกันนี้ผมถามว่าตอนนี้เนี่ยครับที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ย เป็นใครรู้คนที่ตรงๆไปตรงมาก็บอกว่าผมรู้ผมกำลังฟังหลวงพ่ออยู่ผมรู้ผมได้ยินผมได้ฟังผมมีความรู้ผมผมเข้าใจแต่พวกแถ๋จะบอกว่าเออจิตรู้แล้วก็อยากจะบอกอีกว่าแล้วผมถามว่าแล้วแล้วใครมารู้จิตพวกแถ๋ก็ไม่ตอบทีว่าว่าเรารู้เรารู้ก็บอกว่าปัญญารู้แล้วพอถามอีกว่าแล้วใครหรอมารู้ปัญญา พวกเถอก็บอกว่ามันมีความรู้อีกชนิดหนึ่งเป็นปัญญาที่ละเอียดยิ่งแล้วทําไมคุณไม่ตอบว่าเรารู้สักทีอ่ะตั <c oughs> ้งๆที่ตอนนี้คุณก็ไม่รู้หรอกว่าปัญป ญ, ญาละเอียดยิ่งงั้นใครรู้ <c oughs> ก็เลยมันเหมือนกับว่าไม่ตรงอ่ะครับเขาถามอย่างนี้ก็ต้องถ้ า, ถ, าถ้าเป็นคนตรงก็คือว่าตรงต่อความจริงว่าขณะเนี้ยเรากําลังรู้อยู่ว่าเออเราไม่รู้หรือว่าเรากําลังรู้อยู่ว่าเรารู้ ซึ่งพวกเถจะไม่พูดตรงนี้เลยพยายามที่จะบอกว่าเออจิตรู้เป็นท่าเป็นธาตุรู้เป็นทำเป็นเหมือนกับว่าเออคำว่าธาตุรู้ของพวกเถก็ไม่ใช่ธาตุที่เป็นลักษณะของธรรมชาติรู้ที่เป็นอมตะธาตุแต่แต่ก็ยังเข้าใจว่าธาตุรู้นั้นเป็นเป็นพวกจิตเป็นเจตสิกเป็นอะไรพวกนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่จะมีความเรียนรู้ทางอริธรรมหรือตำรามากจะพูดได้หมดแต่ว่าถ้าไปถามชาวสวน ชาวไร่หร right? ือว่าชาวบ้านเขตอบตรงๆอ่ะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาก็บอกเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็บอกเขารู้นี่คือข้อสังข้อตั้งข้อสังเกตครับหลวงพ่อครับพี่จอมครับผมขอเสนอความว่าแฉครับขอแสดงความเห็นนะครับอย่างผมเมื่ก่อนครับมันเป็นอธิธรรมครับคือมีความรู้มากมันเหมือนขวานะครับฟันชาวบ้านเขาไปเรื่อยตัดต้นนู้นตัดตรงนี้ได้ครับแต่ด้าม หวามันไม่เคยฟันตัวมันเองได้เพราะอะไรมันมันมัวแต่ไปข้างนอกมันไม่เห็นด้ามที่ก้นมันครับว่ามันไม่สามารถจะตัดที่ด้ามมันเองได้ครับท่านั้นมันก็ที่บอกผมพ่อว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนบางสิ่งอ่ะเขาเราเอาเสดสร้อนรเมื่อตอนเย็นครับคนสนทนารามกับบุคคลหนึ่งก็อยู่อภิธรรมเนาะเราก็ก็ถามคุยกับเขาเรื่องธรรมะเนี่ยครับแล้วทีนี้ผมก็ถามว่าเอามาเอามุกเดียวกันครับว่าพี่ตอนนี้ อยู่ในห้องอ่ะมีมีใครไหมเห็นใครไหมแกอยู่หลังครัวครับปรากฏแกบอกว่าก็ไม่เห็นมีใครนะบอกดูดีๆนะพี่ดูดีๆนะพี่ผู้หญิงวันนี้ก็บอกว่าก็ไม่มีใครนะก็ไม่เห็นมีใครไม่มีใครสักคนเนี่ยบอกพี่ดูดีๆนะก็เขาก็ยังไม่เก็ตผมก็เลยบอกแล้วอะที่พูดนี้คือใครเขาก็บอกพี่พูดนี่คือใครล่ะเขาก็บอกว่าอ้าวก็เป็นก็เป็นพี่พี่เคขาก็มาบอกเป็นตัวพี่ก็เป็นพี่ยังไงแล้วพี่ น้องที่พี่พูดว่าเป็นตัวพี่เพราะอะไรเพราะพี่รู้ว่าสิ่งที่พี่รู้เนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสภาพธรรมะก็เ ร, ะเราคิดถึงชื่อว่าเป็นเราเนี่ยมันก็เลยแบบคนละเรื่อง ก, กับทางที่ผมพูดกับพี่จองไงซึ่งมันมีพูดไงเขาจะมีตัวปิดบังหรือตัวหนังสืออะไรเกี่ยวอธิธรรมเพราะว่าต้องเป็นสภาพธรรมเป็นวิถีจิตญาณอย่างนี้ต้องรู้เท่างนู้นทั้งนี้พอผมยิ่งพูดไปเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเข้ากับหลวงพ่อเลยกลายเป็นเขาเอาความเหมือนคนที่ถืออาวุธนะครับ เอามาไล่แบบยิงออกมาผมผมผมก็ฟังเดียวนะอะไรบ้างก็เออเอาหมกฟังดูเข้าดูอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าสุดท้ายท้ายสุดเพรนั่นเลยใจได้เออไอสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเหมือนกระจกสะท้อนแล้วว่าเออมันเป็นสิ่งที่ว่ามันสังขารมันปุงแต่งนะมันเก่งมากเลยนะเพราะสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ให้เราออกไปใจ ใ, ในของเขาง่ายๆเพราะอะไรครับเพราะสิ่งเนี้ยเราคุ้จะเข้ามามากเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องเศรษฐยานคนเราทุกคนอะ เขาพี่สัญชาตญาณมันต้องรักตัวเองใช่ไหมยอยู่ต้องต้องต้องเข้าใจตัวเองที่สุดใครรักใครนอกจากตัวเองที่สุดแต่หลวงพ่อถ้าถามจริงก็เหมือนกับว่าเขาเราอะไปรักรู้ได้ไงว่าเราไปรักตัวเองแล้วใครไปรักตัวเองตอนสุดท้ายไอ้ที่ว่ารักตัวเองมันก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าที่ถูกเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ว่างเปล่าจากตัวตวมันไม่มีอะไรตัวนี้ครับเป็นความลึกซึ้งมากมากๆเลยครับต้องขอบคุณหลวงพ่อที่ทําให้ผมจุดประกายแล้วส่งความเข้าใจไปทางพี่พจอมด้วยครับขอบคุณ